ขอคารวะพระคุณเจ้าและขอเจริญพรสาธุชนทุกท่านกรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นกรณีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสติปัญญาแล้วก็สันส่นคลอนความรู้สึกของเราทุกคนนะไม่ว่าชนชาติาศาสนาใดโดยเฉพาะ กับชาวพุทธนะซึ่งอยู่ในส่วนอื่นของประเทศในกรณีของสามจุ ว, ชวยชัยพักใต้เนี่ยปัญหาที่มันเด่นชัดที่ปรากฏออกมาต่อการรับลูกของผู้คนนะแน่นอนก็คือความรุนแรงนะฮะแต่ว่านั่นเป็นเป็นยอดของภู้ขาน้ำแข็งซึ่งมันเป็นผลพวงมาจากปัญหาต่างๆมากมาย แต่คนนี้เนี่ยก่อนที่จะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยผมอาตมาอยากจะ อ, อยากจะขอพูดถึงท่าทีของชาวพุทธนะเวลาเรารเผชิญกับความรุนแรงเนี่ยท่าทีของชาวพุทธเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเราจับหลักให้มัแล้วเนี่ยเวลาจะจ ะ, จะพูดถึงกรณีศึกเชนะภาคใต้นเนี่ยก็จะก็จะเป็นการพูดโดยที่ไม่ได้เอาเอาความรู้สึกหรือความถูกใจไม่ถูกใจเป็นที่ตั้งแต่ว่าเราจะเอาความเอาหลักธรรมมาเป็น ตัวตัวชีวัดแล้วก็มุมมองถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราเราไม่เชื่อเรื่องการใช้ความรุนแรงเป็นคำตอบนะไม่ว่าจะเป็นการไปเบียดเบียนใครหรือว่าเป็นหรือเมื่อถูกเบียดเบียนในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่นิยมเลยนะถึงกับเรียกว่าปฏิเสธเลยก็ว่าได้ในการที่จะใช้ความรุนแรงเข้าไปตอบโต้นะ แม้กระทั่งการที่จะปล่อยใจให้เข้าไปตกในความโกรธความเกลียดนะก็เป็นสิ่งที่พระเจ้านี้ไม่สรรเสริญในพระสูตรมีบางพระสูตรที่พูดที่พระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างเป็นรูก ป, ประธรรมว่าถ้าแม้จะมีโจรเนี่ยเอาเลื่อยมาเลื่อยเอาอวัยวะน้อยใหญ่ของเราถ้าหากว่าเราเนี่ยมีจิตใจโกรธแค้นพยาบาทผู้ที่ทํากับเราเช่นนั้นก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสัอนของผู้ท่านเจ้า พระองค์ได้แนะว่าเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้เราจะต้องรักษาใจไม่ให้แปรผันไม่กล่าววาจาช่วยยาจะต้องแผ่เมตตาไปให้แก่คนเหล่านั้นด้วยซ้ำจะมีไม่ใช่ในในในในใ น, ในสูตนี้เท่านั้นแต่จะมีเรื่องราวต่างๆในชาดกมากมายที่สะท้อเนเถึงจิตวิญญาณชาวพุทธนะเมื่อเผชิญกับความรุนแรงที่กระทําถึงตัว อย่างชาดกเช่นมหากริชชาตกเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าสมัยที่สวยประชาเป็นเป็นลิงนะข อ, อตัวอย่างเรื่องนี้ให้ฟังเพราะน่าสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องของพราหมณ์คนนึงซึ่งตกตกลงไปในเหวแล้วก็ลิงใหญ่นะซึ่งเป็นพระโพธิสั์นั่นเองนะได้ยินเสียงร้องก็ตตไต่ไต่ไขวันลงไปเถาวันไปช่วยเอาขึ้นมาโดยใ ห, ให้ให้คนนั้นเนี่ยเกาะหลัง แต่เขาต้องเป็นลิงตัวที่ใหญ่มากนะะเอาขึ้นมาได้จนถึงหน้าผาก็เหนื่อยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไ ด, กได้ก็ได้รู้ปัญหาว่าพรามคนนี้หลงทางหลงป่าก็ตั้งใจว่าจะพาเขาออกไปจากป่าให้ได้แต่ว่าเมื่อขึ้นมาถึงข้างบนหน้าผาแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยก็พักเอาแรงพรามคนนั้นเนี่ยเนื่องจากหิวมากนะไม่ได้กินอาหารมาหลายวันก็เห็นลิงก็คงเห็นเป็นเนื้อย่างนะฮะ ก็คิดว่าจะฆ่าเพื่อที่จะเอามากินเอาก้อนหินมาคว้ามาทุบตีที่ที่หัวแต่ว่าไม่ตายนะลิงใหญ่นี่ไม่ตายนะคำพูดที่ออกมาประโยคแรกจากลิงนั่นก็คือว่าอย่าทำเราเลยท่านผู้เจริญอย่าทำเราเลยท่านผู้เจริญขอความขอความวิบัติจะได้มีแก่ท่านนะขอคือ คือไม่ได้มีความโกรธเลยนะฮะและก็แทนที่จะหนีไปนะก็กลับตั้งใจเหมือนเดิมที่จะช่วยเขาพาออกไปจากป่าให้ได้แต่ก็บอกให้เขาอยู่ห่างๆอย่าเข้ามาใกล้นะนี่คือท่าทีของฌอปกุกคือเมื่อถูกกระทำเนี่ยนอกจากจะไม่โกรธแล้วก็ยังมีเมตตาไม่อยากจะให้เขาเกิดความวิบัติจากการกระทานั้นและพาเขาออกมาจากป่าได้นะ อันนี้เป็นท่าทีใหญ่ๆนะของชาวพุทธคือว่าเราไม่เชื่อเรื่องการใช้ความรุนแรงเป็นคำตอบแต่เราเชื่อว่าจะต้องใช้นะใช้เมตตาและปัญญาเข้าเข้ากระทำด้วยนะในพระสูตรหนึ่งเนี่ยมีพูดมีการพูดถึงเมืองเมืองหนึ่งนะซึ่งมีโจนผู้ร้เยอะชุกชุมมากพระราชาเนี่ย ตั้งใจที่จะใช้วิธีกวาดล้างอย่างขนาดใหญ่ใช้ความรุนแรงคือจับแล้วฆ่าทรมานจองจำนะและเชื่อว่าปัญหานี้จะหมดแต่พรามซึ่งเป็นตัวแทนของผู้จ้างนะบอกว่าทำเช่นนั้นไม่ได้ผลหรอกนะเพราะว่าไม่มีทางจะปราบโจนใน ห, หมดุดและโจนที่หลงเหลือไปมันก็จะก่อความรุนแรงมากขึ้นพรามเสนอให้ใช้วิธีการ กระจายทรัพย์ไปสู่ประชาชนให้เมล็ดพันธุ์แก่เกษตรก ร, ร, กรผู้พยยกิการทางแข็งให้เงินทุนแก่พ่อค้าแม่ค้านะที่มีความเพียรให้เบีย้ยบัตรและเงินเดือนรวมทั้งอาหารแก่ข้าราชการอย่างทั่วถึงปรากฏว่าพระราชาก็ทำตามและไม่นานก็ สามารถที่จะแก้ปัญหาโจมผู้ล้ายได้ไม่ต้องปิดประตูเด็กก็ฟ้อนอยู่บนอกของแม่อันนี้ภาษาพระไตนปิฎกได้บรรยายไว้คืออันนี้จะเห็นได้ว่าในในในแง่ของชาวพุทธเนี่ยในแง่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยทางออกหรือท่าชีเนี่ยต่อความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่กระทํากับเราหรือว่าความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมนะจะไม่จะไม่ใช้ความรุนแรงเป็นคําตอบ แม้กระทั่งในยานสงครามนะฮะมหาศิลวะชาโดก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดว่าแม้สงครามบุเข้ามาก็จะไม่สู้แต่จะถอยไปตั้งหลักแล้วก็สามารถที่จะจิงเอาล่าสมบัติกับคืนมาได้โดยที่ไม่เสียเลือดเนื้อและชีวิตแม้แต่คนเดียวนะนี่คือจุดยืนนะของของชาวพุทธก็คือว่าใช้ปัญญาและกรุณานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในทางพุทธศาสนานี่เรามองว่าความรุนแรงเนี่ยนะ มันมีล่างเงามาจากหลายเหตุปัจจัยแต่เหตุปัจจัยหนึง่งอย่างเช่นในจักรวติสูนยเนี่ย mm. ก็จะพูดถึงว่า mm. ความรุนแรงเกิดขึ้นได้ไรเกิดขึ้นจากการที่พระราชาเนี่ยไม่จัดสรรทรัพย์แก่ผู้ยากไร่อย่างทั่วถึงนํ mm. าไปสู่ความยากจนจากความยากจนไปสู่อาทินาทางการลักขโมยจากการลักขโมยไปสู่การใช้อาวุธและการใช้อาวุธนําไปสู่การฆ่านี่คือปฏิยาการทางสังคมที่นําไปสู่ ความรุนแรงนะซึ่งเพราะเหตุนี้เนี่ยการที่จะใช้ความรุนแรงเข้าจัดการกับผู้ที่กอ่อปานาติบาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีที่สุดในทางพุทศาสนาแต่ว่าจะต้องถารมาถึงร่างเงาของมันตรงนี้ต้องใช้ปัญญาตอนนี้นะในกรณีพูดสั้นๆฮะท่าทีของชาวพุทธในเรื่องนี้ที่จริงเรื่องนี้พูดได้ยาวนะฮะ คั้นี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องท่าทิของของของชาวพุทธต่อปัญหาความรุนแรงอะไรเนี่ยอาตมาคิดว่าเราลองมาพิจารณาปัญหาในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูนะครับประการแรกเลยอาตมาคิดว่าคงต้องใช้ปัญญาสาวหา ส, า, ห า, ส า, หาเหตุปัจจัยหรือสมุทยัยเรารู้อยู่แล้วว่าทุกหรือปัญหาเวลานี้คือความรุนแรงนะการฆ่าผู้ฝันคนการระเบิดต่างๆ สมุทรยคืออะไรนะแน่นอนกระบวนการก่อการร้ายนะถ้าเราจะใช้คํานี้มีอยู่เป็นเรื่องจริงแล้วก็มีจํานวนไม่น้อยแล้วก็มีหลายกระบวนการซึ่งหลายกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมีทั้งมีทั้งจริงและปลอมมีทั้งขัดแย้งกันเองนะฮะแล้วก็มีทั้งประเภทว่า เกิดขึ้นเพื่ อ, ท, ท, อที่จะรับเงินและมีทั้งประเทศที่ทำแต่อุดมการณ์จริงๆอุดมการ์ที่ไม่มีที่ไม่เกี่ยวข้องกับาศาสนาเลยก็มีและอุดมการที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาก็มีนะแต่ที่แต่เราคิดว่าปัญหาตัวบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่าตัวบุคคลหรือกระบวนการเหล่านี้นมันมีไม่มากปัญหาที่เราพบก็คือว่ากลุ่มคนเหล่านี้ได้รับความสนับสนุนความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้นเรื่อย นะซึ่งทำให้เกิดปัญหาว่าไม่สามารถที่จะสาวหาตัวผู้กระทำผิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดตามล่วงรู้เบาะแสการเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้ได้เลยไม่เหมือนกับตอนที่สู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยเพราะประชาชนจานวนมากเนี่ยนะถ้าไม่เกลียดถ้าไม่ไว้วงใจรัฐบาลก็กลัวคนเหล่านั้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะให้ความร่วมมือหรือไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐได้แม้ปัญหาตัวบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่ากับปัญหาว่าทําไมคนจานวนมากเนี่ยนะซึ่งเป็นล้านนะอาจจะเป็นล้านหรืออาจจะเป็นแสนเนี่ยถึงมีปฏิกิริยามีความหวาดระแวงมีความไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้มันโยงไปถึงปัญหาเรื่องโครงสร้าง เป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างปัญหาเรื่องการ ข, า, ขาดความยุติธรรมปัญหาความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากระบวนการยุติธรรมมีหลายระดับนะแต่เริ่มตั้งแต่ระดับที่เรียกว่าที่เกี่ยวข้งของกับประชาชมโดยตรงคือเรื่องเกี่ยวกับตำรวจไม่ว่าจะเป็นการตรวจคน้นการจับกุมการคุมขังการสอบสวนการดำเนินคดีทั้งหมดนี้มีปัญหามากนะ เพราะไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายค้นโดยไม่มีหมายสารนะนี่พูดพูดถึงสมัยก่อนพรบฮะแล้วก็เป็นมาโดยตลอดการจับกลุ่มนะจับกลุ่มโดยที่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีหลักฐานทางกฎหมายแล้วก็เวลาคุมขังแล้วนะสอบสวนในวิธีทรมานระหว่างที่ดำเนินคดีไม่ไม่ยอมให้มีการประกันตัวโดยอ้างว่ามีหลักฐานเยอะแยะ และส่วนใหญ่ถูกปล่อยทุกไลน์นะฮะสารยกฟ้องทุกไลน์ทางทั้งที่อายการบอก ม, มีมีมีหลักฐานเยอะแยะให้ประกันไม่ได้แต่ยกฟ้องหมดฮะหรือว่าเกือเรียกว่าแปดสก้าส็ยกฟ้องหมดเพราะไม่มีหลักฐานนะฮะ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอดนะซึ่งทําให้ประชาชนเนี่ยเขรู้สึกคับแค้นใจมากเพราะว่าคนที่ได้ผลกระทบเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาเป็นพ่อเป็นแม่เป็น เป็นลูกของเขาและยังมีกรณีการวิสามันฆาตกรรมไม่ว่าการปราบโจรกระจอกเราคงจําได้นะตั้งแต่ปี44มีระเบิดที่หัดใหญ่สถานีรถไฟหัดใหญ่แล้วก็มีการปราบปรามกันโดยใช้วิธีการเชื่อว่ามีการใช้วิธีการอุ้มฆ่าอันนี้ตำรวจเขบอกเองนะฮะตำรวจเขาเขาบอกว่ามีการอุ้มฆ่าตั้งแต่ตอนที่ระเบิดที่หัตสถานีรถไฟฟ้าหัตใหญ่สถานีรถรถไฟหัดใหญ่หญปี44 ตัวเท่าหึงการสงครามยาเสพติกรณีกรูเซ่และที่กระเทือนความรู้สึกผู้คนไม่ใช่เฉพาะมุอไทยแต่ทั้งโลกนะัคือกรณีตากใบนะถ้าเราไม่ไม่ได้ถ้าเราวางังถ้าเราทําใจถ้าเรามองเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยใจที่เป็นธรรมเนี่ยนะการที่คนต้องตายในกรณีตากใบเกือบแปดสิบคนนะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสะเทือนใจมาก มันยิ่งกว่าหกตุลย์นะฮะยิ่งกับ6หกตุลย์ทั้งจํานวนคนแล้วก็กรณี ก, การฆ่าการตายกันแบบนั้นนะตายเพราะอัดนอนทับอัดแน่นจนกระทั่งตายเนี่ยเป็นเรื่องที่สะเทือนใจซึ่งเรื่อนี้เนี่ย ม, มันสะท้อนกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ทํางานเป็นปัญหาของในเชิงระบบในเชิงโครงสร้างมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจด้วยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจคือว่าภาคใต้เวลานี้สามยอดชายภาคใต้เป็น ภาคที่ยากจนที่สุดไม่ใช่ในภาคใต้นะแต่ทั้งประเทศถ้าไม่นับกรทมยากจนที่สุดนะเมื่อเทียบกับทั้งประเทศนะฮะคนภาคใต้เมื่อปีสี่หมีรายได้เฉลี่ยประมาณ2องหมนกว่าบาทต่อปีทั้งภาคใต้ที่ภาคาอื่นๆประมาณ3ามหม่นทั้งประเทศสี่หมื่นกว่านะถ้าไม่นับกรทมแล้วเราพบว่าเป็นปัญหาเกิดความขัดแยนัทรัพยากรสูงมากเราพบว่าประมาณจากการทําวิจัยเราพบหมู่บ้านที่เป็นประกาศว่าเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ย ประมาณ5้หรือกว่านั้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านซึ่งมีปัญหาควขัดแยางทรัพยากรเช่นมีการประกาศเขตป่าทับพื้นที่ชาวบ้านที่เป็นสวนยางเป็นต้นหรือว่ามีการใช้เรืออวนลุนอวนลาบในเขตชายฝั่งซึ่งทําให้ชาวบ้านจับปลาไม่ได้เลยชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันต่อสู้เช่นปัตตานีเนี่ยเขารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะเรียกร้องให้ยุติการใช้เรืออวนลุนอวนลาบเรืออวนลุน เพราะมันทำลายทั้งทรัพยากรชายฝั่งปลาเปรอแล้วก็มันทำลายมันทำลายอ่เครื่องมือประมงที่ชาวบ้านเขาเขาวางไว้จกนกระทั่งรัฐบาลรกระทรวงเกษตรศาสตรประกาศว่าการใช้เหลืออวนลุ่นผิดกฎหมายตั้งแต่ปีส1่หนึ่งแต่ตลอดมาปีส1่งจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการจับกลุ่ม เลืออวนลากโจม้งชาวบ้านต้องร่วมมือกันเองแล้วขอแรงต่อชอดอรคือชาวบ้านนี่เขารู้สึกเลยว่ามันผิดกฎหมายทำไมถึงปล่อยใ ห, ใ, หให้ทำอย่างนั้นได้และชาวบ้านนี่เขาก็แย่มากเขาก็จับปลาไม่ได้ลูกหลานก็ต้องไปไปมาเลเซียความไม่เป็นธรรมมันเห็นชัดๆว่ามีการปล่อยให้มีการทำผิดกฎหมายโดยที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่เอาใจใส่ ต่ตอนชดอนนี้เอาใจส่นะตอนชดอนี้ไปร่วมมือไปขึ้นเรือกับชาวบ้านเพื่อไปจับนะเรือโอรโนล่าจับมาแล้วปรากฏว่าได้เรือมานะฮะปรากฏว่าเวลาอายการส่งฟ้องเรือซึ่งเป็นของกลางหายคือไม่ระบุว่าของกลางนั้นคือเรือด้วยของกลางมีแค่ปลาแต่เรือปล่อยฮะเพราะเรือมันแพงมันปล่อยได้ยังไงทําไมเรือไม่เป็นของกลางชาวบ้านเห็อย่างเงี้ยชาวบ้านเขาก็รู้สึกอย่างไร นี่สิ่งที่ชา บ, บ้านก็เจอมาตลอดนี่คือความไม่เป็นธรรมซึ่งปรากฏอยู่แต่คนในกรุงเทพไม่รู้สึกนะฮะเมืองอัตลักเราไม่รู้สึกว่าคนอีสานลําบากยังไงบ้างเราไม่เข้าใจยิ่งภาคใต้ ย, ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะพูดคนลภาษาและคนศาสนาด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนก้อนเหมือนกับสิ่งที่เหมือนกับภูเขาหน้ําแข็งที่มันอยู่ใต้ใต้ทะเลปัญหาเรื่องาศาสนาวัฒนธรรมที่เรา ไม่ค่อยยอมรับความแตกต่างเพียงแค่จะให้ใช้ภาษามาลีอยู่เป็นภาษาใช้งานเราก็ลังเกียจนะแต่ว่าภาษาจีนภาษาอังกฤษเป็นภาษาใช้งานเราไม่ไม่รังเกียจอะไรเลยนะฮะในขณะที่คนเป็นล้านเกือบสองล้านใช้ภาษามาลีอยู่เป็นภาษาพูดเป็นภาษาแม่ของเขาเราลังเกียจที่จะให้ใช้เป็นภาษาใช้งานนะไม่ใช่ภาษาราชการนะฮะอันนี้มันก็เป็นเครื่องสะท้อนในความรู้สึกว่าเอตกลงอ่า เขาเป็นคนไทยแค่ไหนหรือว่ารัฐต้องการให้เขาเป็นคนไม่ใช่คนไทยนี่คือสภาพปัญหาในเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมซึ่งซึ่งมันทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วเขาก็เลยไม่มีความไว้วางใจในเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะอันนี้คุณภาพรวมนะฮะ แต่มีเจ้าที่รับจานวนไม่น้อยนะโดวยเฉพาะต่อชะดอนวิโยธทินซึ่งทำงานในพื้นที่แล้วก็ได้รับความเห็นใจและศรัทธาจากชาวบ้านมากสองหน่วยงานนี้จะจะเป็นจะเป็นข้อยกเว้นนะรวมทั้งตำรวดภูธรในในยุคหลังนะฮะแต่ที่เหลือนอก น, นั้นนี่จะจะค่อนข้างจะมีปัญหานะฮะอันนี้จากการทำวิจัยที่เราได้ไ ด, ได้ได้ทำมา สรุปคือปัญหาใ น, าในสามจุดชนะภาคใต้มันไม่ใช่เป็นปัญหาทางด้านศาสนาโดยตรงศาสนาไม่ใช่สาเหตุแต่ว่าถูกใช้เป็นข้ออ้างในการก่อความรุนแรงหรือในการสนับสนุนความรุนแรงมีคนจานวนไม่น้อยเนียเน่ยต้องการแบกแยก ด, ดินแดนแต่ไม่ได้มากถึงขนาดเ ป, นเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศอาตมาเชื่อคนส่วนใหญ่ของของสามดชาคต้เนี่ยเายัง ไม่ไม่คิดว่าการแยกดินแดงเป็นทางออกแล้วไม่ปรารถนาด้วยแต่ว่าเขาไม่เพราะมีความระแวงเจ้าหน้าที่รักมากและยิ่งเกิดเหตุต่างๆเกิดเหตุการณ์ปล้นฆ่าแล้วหาคนหาหาจำเลยไม่ได้เนี่ยหาคนผิดไม่ได้หาผู้ต้องสงสัยไม่ได้เป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยิ่งระแวงว่าแล้วจริงๆไอ้เกิดเหตุทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนทำหรือเปล่านะ คนจำนวนไม่น้อยเชื่อแบบจริงๆนะฮะว่าไอ้ทั้งหมดที่เกิดเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่รักทั้งนั้นแหละความคิดแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเ้าไม่ระแวงเจ้าหน้าที่รักเพราะเหตุการณ์ที่มันสะสมกันมาหลายสิบปีปัญหาคือตอนนี้เนี่ยศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนและให้ความชอบทำการก่อความรุนแรง ผู้นำศ า, ส, าสนาในในท้องถิ่นชาวบ้านจำนวนไม่น้อยเนี่ยเชื่อว่าการก่อคารุนแรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการต่อสู้เพื่อเอกรากเท่านั้นนะฮะแต่มันเป็นการปกปักปกป้องศาสนาของเขาด้วยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วฮะถ้าเราเอาศาสนากับศาสนาไปชนกันความรู้สึกเช่นนี้ก็จะเกิดแรงขึ้ น, น mm. ตอนนี้เอาสั้นๆนะฮะ ตอนนันก็ยีนาทีเข้าไปแล้วนะครับหาทางออกเราจะเราถ้าทางออกต่อกรณนี้เช่นนี้เป็นอย่างไรต้มาคิดว่าปัญญาและกรุณาในพุทธศาสนาสาคัญมากอย่างแรกแล้คือว่าเราต้องเราต้อ ง, เ ร, องเราต้องมั่นคงแล้วก็ศรัทธาในหลักธรรมที่ว่าความรุนแรงไม่ใช่คําตอบเวียนย่อมไม่อาจระงับได้ด้วยการจองเวรนะการกําจัดหรือขจัดตัวบุคคลนะ มันไม่ใช่เป็นตัวไม่ใช่เป็นการแก้ที่สมุทรไทยหรือล่างงาของปัญหาเพราะอย่างที่บอกนะครับการตัวบุคคลนั้นเนี่ยผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยซึ่งเป็นหรือกระบวนการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปัญหาหลักนะครับคนเหล่านี้เนี่ยถ้าประชาชนไม่เอาด้วยเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้คนระแต่ทําไมคำถามคือทำไมประชาชนเอาด้วยหรือทําไมประชาชนกลัวคนเหล่านั้นทําไมประชาชนระแวงเจ้าหน้าที่รัฐมันเป็นปัญหาเรื่อง ท, ที่ที่ลึกซึ้งไปกว่าปัญหาการ การที่มีกระบวนการนะอยู่เราไม่ควรจะสนับสนุนการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะฮะแต่ควรจะสนับสนุสนการใช้สันติวิธีจะโดยสันติวิธีนั้นเราจะเรียกว่าแนวทางสมาณฉันก็ดีหรือเราจะเรียกว่าการเมืนงนการทหารก็ตามเป็นสิ่งที่ในแง่ชาวผู้เราควรจะสนับสนุสนไม่ใช่เรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงมากขึ้นนะหรือใช้นโยบายตาต่อตาฟันต่อฟัน เพราะ น, นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่แนวทางของของชาวพุทธ2ตัวอย่างประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆรือทัง้ ง, งของเมืองไทยก็พบว่ายิ่งแรงก็ยิ่งลุกลามเพราะมันเหมือนกับการโยนน้ําน้ํามันเข้าไปในกองไฟ 3. ม, มันไม่ใช่แนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างที่ในหลวงได้ตรัสเลยนะเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่มันมันเป็นแนวทางสันติวิธีโดยแท้ วันะะนี้เราจะทํำยังไงนะฮะคือแนวทางสมานฉันที่กรรมการสมานฉันได้นําเสนอเนี่ย mm hmm. เขาไม่อ ย, อยู่หลักการอยู่9ประการเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหประการซึ่งมันสอดคล้องกับหลักการพุทธศาสนามาก mm hmm. เช่นการเปิดเผยและค้นหาความจริงความจริงเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วเราต้องไมเ่เราต้องไม่ไม่ปักใจเชื่อว่าความจริงของเราท่านที่ถูกหลักธรรมพุทธศาสนาที่ว่าสัจจารู้รัก สัจจานูรักษ์คความเชื่อคือความตระหนักว่าไม่ใช่ความจริงของเราทั้ทีที่ถูกความจริงของคนอื่นผิดเราต้องมองความจริงจากมุมของคนอื่นด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่จากมุมของเราเท่านั้นเรามองความจริงจากมุมของพี่น้องต่างภาษาต่างาศาสนาดูบ้างเป็นส่วนของการที่จะค้นหาความจริงและเปิดเผยออกมาแม้ว่าความจริงนั้นจะกระเทือนระบวนการรม จะสั่งคอยกระบวนการยุติธรรมจะสั่งคองตัวบุคคลก็ตามก็ต้องเปิดเผยออกมาวิศวสองเรื่องความยุติธรรมความยุติธรรมเรื่องสําคัญนะครับควยุติธรรมเนี่ยมันถ้าพุทธศาสนานี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่อิงความยุติธรรมมันก็น่าเป็นห่วงสามการพร้อมรับผิดนะการพร้อมรับผิดเนี่ยนะแน่นอน น, นีมันสอบคล้องกับหลักธรรมคือเราถ้าเราเอาธรรเป็นใหญ่ทำมาธิปไตยแล้วเนี่ยถ้ามันผิดธรรมก็ต้องยอมรับ แม้มันจะไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องก็ต้องทำเพราะถ้าเราไม่ยอมรับผิดเรากลัวเสียหน้านั่นคืออัตตาทิปไตเรากลัวคนดา่านั่นคือโลกาทิปไตในทางภาษาศาสนะอัตตาธรรมาทิปไตนี่สำคัญคือเอาความจริงเป็นใหญ่แม้ความจริงนั้นถ้ามันเป็นความจริงว่าเราผิดก็ต้องยอมรับผิดให้อภยัยข้อที่สแล้วข้อสุดท้ายสันติวิธีเราเชื่อ นอกจากการสรับสนแนวทางสันติวิธีแล้วเนี่ยค ง, ยงต้องร่วมมือกันระหว่งางศาสนามากขึ้นาศาสนาเนี่ยเป็นพลังในทางสันติธรรมและตระหนักก็เชื่อว่ า, าศาสนาอิสลามก็เช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกันเวลานี้เนี่ยาศาสนาถูกใช้ไปนในทางยั่วยุให้เกิดความรุนแรงเป็นกันทั้งโลกนะฮะาศาสนาถูกใช้เพื่อทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นาศาสนากลายเป็นแรงบันดาลใจเพื่อทําให้เกิดระเบิดทรีชี แต่ศาสนาทําไมจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยยอมเสียสละเพื่อรักษาชีวิตของผู้คนไม่ได้ทําไมศาสนาต้องเป็นแรงบันดาลใจให้แก่พวกระบบพีชีพเท่านั้นศาสนาสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ยอมจะพีชีพเพื่อรักษาชีวิตของผู้อื่นได้ด้วยนะเราเชื่อช น, นิดหรือเปล่าเรามีศรัทธาในเรื่องนี้ไหมนะถ้าเรามีศรัทธานะมันต้องร่วมมือกันระหว่างศาสนาครอย่างน้อยในยร่วมมือกันที่จะ ป้องกันาศาสนกสถานให้ปลอดภัยจากความรุนแรงไม่ว่าจากฝ่ายใดก็ตามพุทธชาวพุทธกับชาวมุสลิมร่วมมือกันปกป้องวัดปกป้องสุเรานะและรวมั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของสมาธิชันด้วยไม่ใช่เรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงกระทำต่อกันนะอันนี้เราก็ต้องเข้าหาผู้นาทางาศาสนาอิสลามและผู้นาทางชาวพุทธก็ต้อง ยืนยัดมั่นคงในเรื่องนี้เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างของสมานฉันท์นะพร้อมที่จะหันหน้าเข้าหากันนะอย่างน้อยแม้จะระแวงกันแต่ว่าการหันหน้าเข้ามาคุยกันบนโต๊ะบนโต๊ะยังดีกว่าที่จะเก็บงำความโกรธความเกลียดและความระแวงเอาไว้ซึ่งเวลานี้มีไม่น้อยนะในหมู่ผู้นำศาสนาทั้งในท้องถิ่นแล้วก็ในในส่วนหนึ่งของประเทศซึ่งมันมันไม่ดีต่อศาสนาเลยทั้งสองศาสนา สามจะต้องร่วมมือกันป้องกันความรุนแรงครอย่าไปหวังพึ่งอย่าไปคิดว่าเจ้าที่รับเป็นคำตอบเท่านั้นนะฮะประชาชนด้วยกันเนี่ยสามารถเป็นคำตอบได้ถ้าร่วมมือกันข อ, อยุติยางนะฮะในประเทศอินเดียเนี่ยเราคงทราบดีมีความต่อความขัดแย้งกันระหว่างระหว่างชาวมุสลิมกับชาวฮินดูมากเมื่อปี2535เกิดกรณีอายุตเกิดความรุนแรงเนื่องจาก าชาวฮินดูไปถล่มทลายศาสนสถานในเมืองอยุธยาแล้วก็ทําให้เกิดไฟลุกท่วมประเทศบอมเบย์ก็มีการฆ่ากันระหว่างชาวมุสลิมกับฮินดูแต่มีเมืองเมืองหนึ่งใกล้บอมเบย์ฮะมีชาวมุสลิมสองในสามดซ้ําแต่ไม่เกิดการฆ่าไฟกันเลยทําไมฮะไอเมืองนี้เนี่ยเมื่อปีหนึ่งสามและสามหนึ่งเคยฆ่าไฟกันมาก่อนระหว่างชาวฮินดูมุสลิม แต่ทำไมปีสี่ห้าสามห้าเนี่ย ท, ทั้งนั่ที่รอบรอบตัวเนี่ยรอบเมืองเนี่ยมันลูกเป็นไฟฆ่ากันเลือด น, นองแต่ทําไมเมืองบีวันดีไม่เกิดสงครามเพราะเขาประชาชนทั้งผู้นําศาสนาทั้งพุทธทั้งมุสลิมฮินดูและประชาชนทุกระดับชั้นของสังคมเขารวมกันเป็นกรรมการสันติสุขในหมู่บ้านกระจายสันติสุขในอําเภอกระจายกันไปเจ็ดสิบแห่งทั่วทั้งเมืองทำหน้าที่อะไรฮะ ทำหน้าที่ที่จะระ ง, งับข่าวลือทําหน้าที่ที่จะเสริมสร้างสมคภูมิทำในหมู่คนต่างเชื้อชาติต่างต่างศาสนามันมีข่าวลือเกิดความตื่นกลัวแล้วก็กรรมการสันติสุขนี่แหละที่คอยคอยระ ง, งับข่าวลือมันมีคนบางคนที่จะก่อความรุนแรงส่องซุมอาวุธกรรมการสันติสุขก็จะไประ ง, งับเหตุหรือไม่ก็ไปบอกตํารวจจะมีการประชุมกันระหว่างตํารวจกับกรรมการทั้งเจ็ดสิบเจดสิแผงเนี่ย อยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนานที่ข้างลอกข้า ง, า ง, าง ล, อ ล, อลอกมือบีวัดีลุกเป็นไฟเนี่ยไฟมันเข้ามาไม่ได้ในมือบีวดีเพราะศาสนิสองศาสนาและผู้คนทุกหมู่เหล่าแม้กระทั่งคนเก็บขยะก็ร่วมมือกันนะและสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องพึ่งเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ก็มันคือว่ามันต้องสมาสมาัคคีกันนะแล้วต้องไว้ใจกันอย่าไปคิดว่าอาวุธเป็นคำตอบอย่าไปคิดว่าอาวุธเนี่ยจะสามารถที่จะรักษาความสงบไว้ได้จริงๆกำแพงที่จะรักษาความสงบปราการที่จะป้องกันความรุนแรงที่ดีสุดก็คือความสมัครคีของผู้คนในชุมชนและสิ่งนี้เนี่ยมันต้องใช้ปัญญา แต่ที่ขาดไม่ได้คือกรุณาที่จะเอาชนะความโกรธความเปลี่ยนให้ได้และต้องพร้อมที่จะชนะใจคนอื่นด้วยเราต้องเรียนรู้ที่จะชนะใจและชนะใจมีทางเดียวต้องใช้กรุณาทุกวันนี้เราคิดแจะเอาชนะพื้นเอาชนะด้วยพื้นเอาชนะทางพื้นที่เอาชนะด้วยอาวุธซึ่งมันแก้ปัญหาไม่ไม่ได้ยั่งยืนการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นอยู่แล้วว่าต่อเมื่อชนะใจถึงจะชนะสงครามคอมมิวนิสต์ นี่เประเด็นในเรื่องความเป็นธรรมสาคัญนะฮะทำงานเรนาต้องกศัพท์ฉันให้มีการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายภาคใต้ให้ได้เป็นความเป็นธรรมการดับโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่ต้องใช้ปัญญาสอด ส, ส่องให้เห็นนะฮะแต่ความเป็นธรรมสาคัญอาตมาอยากจะยกคําพูดของคนหนึ่งนะเป็นครูชื่อคําหมายคนไทยคํำมันคนไทยที่เป็นนักเขียนเรื่องครูบ้านนอกนะเมื่อ20ปีกว่านนี่ แกมีชื่อมากผูภัณฑ์ น, นอกคนนี้เนี่ยรับรู้เหตุการณ์สงครามต่อสู้ของนิสมารุตลอดในสมัยยี่สิบปีที่แล้วแกพูดไปอย่างนี้น่าฟังนะฮะครับจะพูดว่าความเป็นทรรในสังคมเป็นอาวุธอย่างหนึ่งที่ใช้ปราบคนร้ายได้สิ่งนี้ราคาถูกกว่าปืนผานหน้าไม้มากและไม่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนแต่จะมีใครนําออกมาใช้มากมายิงใหนเท่านั้นเองอันนี้ก็คืออาวุธ ที่ชาวพุทธเราต้องให้ความสําคัญให้มากนะครับแต่ต้องถามก่อนว่ามันอยู่ในใจของเราหรือเปล่าถ้ามันมีอยู่ในหัวใจของเรามีอยู่ในหัวใจของทุกคนเอามันออกมาใช้ครและเชื่อว่ามันจะแก้ปัญหาได้มากทีเดียวแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตาม